ท่นเชิญพระวจนะในหัวข้อคอมบัดโซนสนามรบพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในวันนี้ปรากฏในพระธรรมเอเฟซั ส, สบทที่หข้อสิบถึงข้อยี่สิบความว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชอันมหาศา์ของพระองค์รงสวมยุทธพันฑ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าผู้จะต่อต้านทัูบายของปิยมานได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองไปแผพบในโมห oh ะแห่งความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเหตุเช่นั้นจงรับพุทธภัณฑ์ทั้งทิชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วแต่อยู่อย่างมั่นคงได้ หเหตุฉะ น, นั้นท่านจงบ้านคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสรวงเครื่องป้องกันอกและเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งปร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกัถึงทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล้ด้วยโล้นั้นท่าจะได้ดับลูกศรเปลืองของปยามาณเถี่ยน่าะจะเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันทิะ และต้องตื่นพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานเวงวอนทุกอย่างตจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเปลี่ยนทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อสามิคชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคําพูดและเกิดใจกล้าประกาศและทําแดงก็ลับลึก การประกาศประเสริฐได้เพราะข่าวประเถิดนี่เองแต่ให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโต้อยู่เพราะข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวขอพระเจ้าทรงอวยพ ร, ร์พรกับทุกท่านที่ได้ถดดับฝังพระธรรมของพระองค์วันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่ผมจะเทศนา อย่างต่อเนื่องที่เป็นซีรีส์ตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าพี่น้องจำได้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหัวข้อคำเทศนาของผมก็คือคอมฟอร์ z โซนนะครับและในเช้าวันนี้ก็คือคอมแบทโซนก็สนามรบครับและในอีกสองสัปดาห์ที่ที่จะมาถึงนี้ก็จะไปถึงเอนโซนนะครับก็คือเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตของเรา เดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นเดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และคิดถึงว่าดนตรีนั้นมีความสําคัญในการนมัสการไม่เพียงแต่เท่านั้นดนตรียังมีความสัมพันธ์ในการความสําคัญในการทําสงครามด้วยครับเราจะเห็นว่าในพระวจนะของพระเจ้าโยชูวาเดินวนรอบเมืองเยริโคนะครับเดินวนรอบเมืองหวันพอวันที่7็ปุ๊บเนี่ยก็ให้ปุโรหิตเจคนถือเขาแกะเจ็อัน นำหน้าหีบพัทสัญญาวันที่เจ็ดนั้นเดินวนเจ็ดรอบครับและเมื่อเป่าแตรเป็นเสียงยาวใช้ดนตรีในการนมัสการพระเจ้าเป็นการประกาศสงครามระกัศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในที่สุดประชาชนก็โห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าขึ้นมาพร้อมๆกันและกำแพงเมืองเยริโคก็พังเราเห็นดนตรีสามารถที่จะไล่วิญญาณชั่วออกจาก ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์ได้โดยดาวิด ท, ที่เป็นคนเล่นพินพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้พูดถึงเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณหรือว่าสนามรบที่เรียกว่าคอมแบทโซนปกติแล้วสงครามนั้นเกิดขึ้นอยู่สมลักษณะด้วยกันนะครับในโลกนี้ลักษณะแรกก็คือสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ระหว่างประเทศกับประเทศประการที่สองก็คือเป็นสงครามระหว่างคน กับคนนะครับส่วนตัวประการที่สามก็จะเป็นสงครามระหว่างคนกับสิ่งมีชีวิตเช่นไวรัสเชื้อโรคต่างๆเราเห็นการพิชิตหรือว่าเอาชัยชนะหรือทําสงครามเพื่อได้มาซึ่งชัยชนะมีอยู่สามประเภทนี้ครับสรุปแล้วสงครามที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสงครามที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่ในพระคัมภีร์นั้นมีสงครามอีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตานะครับไม่สามารถว่ามองว่า ศัตรูนั้นเขาคิดอะไรอยู่เขาแต่งเครื่องแบบสีอะไรนะครับแต่มันมีครับเรียกว่าเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเรียกว่าสงครามที่เราต่อชู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะแห่งความมืดโลกนี้ต่อชู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสงครามหรือว่าคอมแบทโซนที่เรามองไม่เห็นเป็นสนามรบ ที่เราทั้งหลายทุกคนที่เป็นคริสเตียนนะครับและไม่ใช่เป็นคริสเตียนนั้นต้องต่อสู้เหมือนเหมือนกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หข้อสิบสอนั้นนั้นได้บอกกับเราว่าในสภาพสังคมมนุษย์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสงครามครับและสงครามนี้เป็นสงครามที่ยืดเยื้อไม่มีวันสิ้นสุดสงครามที่พระพีพูดถึงนะครับเรามองไม่เห็นศัตรูของเราเราทุกคนตกเป็นเป้าหมายของมันครับไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็าตาม นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางคนถามว่าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยนะครับเรายังตกอยู่ในสงครามนี้หรือคําตอบก็คือว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนนะครับเราทุกคนตกอยู่ในสงครามนี้เพราะว่าภารกิจหลักของมารซาตานก็คือมันมาเพื่อที่จะลักขโมยใช่ไหมครับลักขโมยพระวจนะของพระเจ้าลักขโมยพระเกียรติคุณลักขโมยความรอดลักฆ่าก็คือฆ่าชีวิตครับเอาชีวิตคน ไปให้มากที่สุดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้และทำลายทำลายก็คือว่าทำลายชีวิตฝ่ายวิญญาณทำลายชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่นี่แหละครับคือภารกิจของมันสตานเพราะฉะนั้นมันไม่สนครับว่าเราเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนเราทุกคนต่างเป็นเป้าหมายของมันนะครับคำตอบอยู่ที่ว่าถ้าเรามีวิญญาณใครที่มีวิญญาณตกอยู่ในสภาวะสงครามนี้ทุกๆคน ทีนี้เราจะมาดูศัตรูของเราบ้างครับศัตรูของเราก็คือซาตานเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นหลายคนถามคําถามที่น่าสนใจว่าเอลซ า, าตานพระเจ้าสร้างมันขึ้นมาหรือเปล่านะครับในพระธรมยอห์นแบทบที่หนึ่งข้อสครับได้บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะนั่นหมายความว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ในขันเดีวยวกันครับโครโรสีบทที่1นึข้อสิก็ได้บอกว่าเพราะเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและพิษ แ, แผ่นดินโลกสิ่งที่ประจักษ์แก่ตาและไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบาลังหรือเทพอาณาจักรหรือเทพผู้ครองศักดิเทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์เพื่อพระองค์เรื่องขับแรกเริ่มเดิมทีนะครับพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์พระเจ้าสร้างลูซิเฟอร์นะครับ รูซิเฟอร์นี่เองเนี่ครับก็คือเป็นที่มาของมารซาตานในสมัยต่อมาในพระธรรมเอเสเควบทที่28นะครับมีเพิ่มพีสองตอนที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเอเเควบทที่28และอิสยาบทที่สิบสีสองข้อนี่แหละครับเป็นข้อที่สําคัญสองตอนนี้ได้บรรยายถึงจุดกําเนิดของมารซาตานนะครับที่หลังจากที่พระเจ้าสร้างให้เขาเป็นรูซิเฟอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาตกลงในความบาป ดูซีเฟอร์นั้นเป็นชื่อเดิมของซาตานครับเดิมทีนั้นถูกสร้างให้ขึ้นมาเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าและเขามีความบริสุทธิ์ฉลาดสง่างามเขาเป็นผู้นำท่ามกลางเครูปเครูปก็คือทูตสวรรค์ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเราพบว่าลูซิเฟอร์นั้นเขาอาจจะเคยเป็นถึงมหาเล็กรักษาพระองค์ด้วยซ้าเป็นผู้ที่คอยปกป้อง พระที่นั่งของพระเจ้าในอิสยาห์บทที่14ครับลูซิเฟอร์ได้รับตําแหน่งอยู่บนภูเขาอันบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้เท่านี้แหละครับที่เรารู้จากศัตรูของเราก็คือลูซิเฟอร์ที่ในสมัยต่อมานั้นหลังจากที่เขาตกปรุงความบาปเขาก็คือมารซาตานศัตรูของเราในพระเจนะพระเจ้าอิสยาห์บทที่14ข้อ 12-15 นะครับ ขณะที่เขาได้รับตําแหน่งบนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าท้ายที่สุดในที่สุดลูซิเฟอร์ก็ไม่สามารถที่จะรักษาสถานภาพของเขาที่มีสง่าราศีไว้ได้เพราะเขาลรำพึงในใจว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงสุดนั้นข้าจะนั่งบนภูเขาชุมนุมสถานณะ ที่อุดอรไก่ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทาตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดครับและนี่คือรูซิเฟอร์เราจะรู้จักจัตรูของเรานะครับควาว่าข้าขึ้นไปยังสวรรค์สวรรค์คือที่ประทับของพระเจ้าเขาปรารถนาที่จะยึดครองที่ประทับของพระเจ้าคาว่าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้น ลูซิเฟอร์ไม่เพียงแต่อยากจะยึดพระที่นั่งของพระเจ้าแต่อยากจะยกที่นั่งของตัวเองเท่าเทียมกับพระบัลลังก์ของพระเจ้าข้าจะนั่งอยู่บนหุบเขาชุมนุมสถานบนขุนเขานั้นเป็นชุมนุมสถานเป็นศูนย์กลางของการครอบครองโลกเป็นการศูนย์กลางของการนมัสการพระเจ้าเพราะว่าทูตสวรรค์นั้นเขาจะต้องมีหน้าที่ในการนมัสการพระเจ้านอกเหนือจากการนําข่าวสารไปถึงคน ประการที่สี่ครับข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆเมฆนั้นหมายถึงพระสิริของพระเจ้าลูซิเฟอร์ต้องการพระสิริของพระเจ้ามาเป็นของเขาและประการสุดท้ายคือข้าจะเป็นเหมือนผู้สูงสุดข้าจะเป็นเหมือนผู้สูงสุดลูซิเฟอร์ต้องการที่เป็นเจ้าของสวรรค์ในโลกคือหมายความว่าลูซิเฟอร์ต้องการยึดอํานาจของพระเจ้ายาจากการเป็นกบฏและความเออย่อหยิ่งนี้เองทําให้ลูซิเฟอร์ล้มลงในบาป ที่ทําให้ลูซิเฟอร์คิดกะบะดต่อพระเจ้าขวางพระเจ้าทําให้พระเจ้านั้นคว้างลูซิเฟอร์ลงมาจากสวรรค์รับโทษของมันนี่คือฐานะที่เปลี่ยนจากทูตสวรรค์มาเป็นซาตานเอเซเคียวดี28ครับข้อ16 17เป็นคํากล่าวของพระเจ้าพระเจ้ากล่าวกับลูซิเฟอร์ว่าเราจะกําจัดเจ้าเสียจากภูเขาแห่งพระเจ้าเราเหวี่ยงเจ้าลงที่ดินแล้ว เพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าแล้วซาตานพระเจ้าสร้างซาตานขึ้นมาด้วยหรือเปล่าคำตอบอยู่ในข้อนี้ครับในข้อที่15ของเอเซียเคเบิลที B ่28ตั้งแต่วันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นมาจนพบความบาปชั่วในตัวเจ้าอันนี้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่วร้ายขึ้นมาพระเจ้าไม่ได้สร้างซาตานพระเจ้าสร้างลูซิเฟอร์แต่ลูซิเฟอร์กลายพันธ์ลูซิเฟอร์ตกลงมาจาก ที่ที่สูงในสรนภาพของมันด้วยสาเหตุของความเยื่อหยิงและปรารถนาที่จะยกตัวเองเข้าเทียมกับพระเจ้าและบาปของความเยื่อหยิงนั่นเองตกอยู่ในชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกันในหลายครั้งทีเดียวคนเย่อหยิงยกตัวเองขึ้นเท่าเทียมพระเจ้ายกตัวเองขึ้นเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแทนที่จะให้พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตคนเหล่านี้เขาก็จะกะบฏกับพระเจ้าและรับโทษเหมือนกับที่ลูซิเฟอร์ได้รับ พี่น้องครับซาตานได้ทําสงครามฝอยวิญญาณกับอาดัมนะครับเอวาทาสงครามกับมนุษยชาติมาตลอดซาตานทําสงครามกับอาดัมเอวาทางด้านความคิดครับให้เขาสงสัยในพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นยุทธวิธีที่ซาตาน ใ, ใช้ทุกยุคทุกสมัยทําให้คนเกิดความสงสัยและไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า งูถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตัดห้ามว่าอย่ากินผลไม้จากสวนนี้แต่เมื่อเอวาเริ่มพูดคุยกับงูงูก็สร้างความสงสัยงูพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกในที่สุดอาดัมเอวาแพ้สงครามนี้นะครับและมารซาตานก็ยิงลูกศรเพลิงเข้ามาในความคิดของพวกเราในสมัยนี้เช่นเดียวกันครับว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้ หมายความอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางคนนะครับโทษว่าความบับทุกประเภทความขัดแย้งทุกประเภทปัญหาทุกอย่างมาจากมารซาตานอันนี้ก็ให้เกียรติมารซาตานมากเกินไปเป็นความคิดอีกมุมหนึ่งหลายหครั้งทีเดียวปัญหาไม่ได้เกิดจากมารซาตานแล้วครับปัญหาเกิดจากเรานะครับปัญหาเกิดจากความอ่อนแอของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาความสมดุลจากพระเจ้าของพระเจ้าในการที่ดาเนินชีวิตอยู่นะครับ ในการที่จะรับพลังรับอำนาจที่มาจากพระเจ้าในเวิเดียวกันเราปฏิเสธที่จะรับอิทธิพลต่างๆจากมารซาตานนั่นคือการที่เราต้องทำสงครามคอมแบตโซนนั่นเองพี่น้องครับในพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้เอเฟซัสบทที่6ผมจะขอเน้นในข้อที่ 11.12 ครับจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามาลได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองเทพผู้ครองพิภพศักดิเทพเทพผู้ครองในมโหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฝ้าอากาศประเด็นที่สําคัญที่เราจะรู้ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับความจริงจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าเราจะต่อสู้และเราจะมีความเข้มแข็งโดยภายใต้การอาศัยพึ่งพารทิ์อํานาจของพระเจ้าเท่านั้น ประการต่อไปก็คือว่าสิ่งที่จะปกป้องเราได้มีนะครับอยู่ก็คือยุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่พระเจ้ามอบให้กับเราและประเด็นที่สำคัญต่อไปก็คือสงครามของเรานั้นที่เราทำอยู่นั้นเป็นสงครามกับความชั่วร้ายทั้งหลายฝ่ายวิญญาณในโลกนี้ในพระเจนะของพระเจ้านะครับมีตัวอย่างสงครามฝ่ายวิญญาณหลายอย่างผมจะยกมาในวันนี้สองอย่างด้วยกัน อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ครับในยูดาหนังสือยูดาในข้อที่9ครับอัครทูตรหรือว่าทูตสวรรค์ชั้นเอกนะครับเป็นบิ๊กของทูตสวรรค์เลยทีเดียวเรียกว่าชื่อว่าไมเคิลหรือว่ามิคาเอลมิคาเอลนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธานุภาพมากที่สุดหรือว่าเป็นถือว่าเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ในพระวจนะพระเจ้าก็ยังไม่อาจห้ามซาตานดุริเดตของท่านเองท่านกล่าวในยูดา ในข้อที่9นะครับบอกว่าขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิดขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิดนั่นหมายความว่าทูตสวรรค์เองนะครับถ้าไม่ถึงเวลาที่จะต่อกรกับซาตานนี่นะครับทูตสวรรค์เนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงกระหนาบหรือทรงห้ามมารซาตานจะได้เห็นว่าศัตรูของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็นคนที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากพอสมควรทีเดียว และในธรรมวิวรบทที่12ข้อที่7และข้อที่8ได้บอกว่าในยุคสุดท้ายอัครทูตหรืออัครเทวทูตมิคาเอลนะครับก็คือทูตสวรรค์ท่านนี้นะจะมีชัยชนะเหนือมารซาตานนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าหลังจากที่ผ่านคอมแบตโซนไปแล้วนะครับชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนรวมทั้งทูตสวรรค์จะมีชัยชนะเหนือมารซาตานนี้ถือโดยการพึ่งพาในอนํานาจที่มาจากพระเจ้า เราจะผ่านสนามรบนี้ไปได้ครับผมชอบคำคำหนึ่งเขาบอกว่าเราอาจจะแพ้การสู้รบแต่เราจะชนะสงคราม Battle หมายความว่าเป็นความการสู้รบนะครับที่ที่เป็นประปรายเป็นครั้งคราวเกิดขึ้นตลอดแต่ถ้าเกิว่าเราจะชนะสงครามนั้นหมายความว่าเราจะ win the war ก็คือในที่สุดแล้วสงครามมันจะจบและผู้ที่ชนะก็คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์และเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์เป็นกองทัพของพระองค์พี่น้องครับรายละเอียดเจดอย่างต่อไปนี้นะครับเป็นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าประการแรกก็คือเข็มขัดนะครับเข็มขัดเข็มขัดแห่งความจริงนั่นหมายความว่าเราจะต้องพูดความจริงดําเนินชีวิตอยู่ในความเป็นจริ ง, พ ร, งพระเจนะพระเจ้าพระเยซูตรัสบอกว่าอะไรครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต เมื่อเราอยู่ในความจริงเราอยู่ในพระเยซูและสัจจะจะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยสัจจะจะปลดปล่อยเราทั้งหลายให้มีชีวิตที่เป็นอิสระแต่นี่คือเข็มขัดเข็มขัดนั้นอยู่ตรงกลางของของร่างกายของมนุษย์นะครับมันเป็นศูนย์กลางของพลังนะครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองก็คือทับซวงแห่งความชอบธรรมคาว่าทับรวงนี้ก็คือเป็นเครื่องป้องกันอกนะครับ แล้วเขาจะในสมัยโบราณเขาจะมีเข็มขัดนะครับรัดทับสวงเงี้ยสวมจากที่หัวแล้วก็รัดอยู่ที่หลังหมายความว่าเราจะต้องสงบอยู่ในเกราะกำบังที่ว่าเราเป็นคนชอบทมเอาความชอบธรรมนะครับเป็นทับสวงป้องกันอกเราเป็นคนชอบทมได้โดยความเชื่อครับเราเป็นคนชอบทมได้โดยการไถ่าบาปของพระเยซูคริสเพราะฉะนั้น เวลาใดก็ตามที่มีความคิดนะครับซึ่งเป็นสอนเพลิงเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตของเราบอกว่าเจ้าเป็นคนชอบทําแล้วทำไมยังทําบาปเราต้องบอกกับมันสาตานว่าแม้ว่าเราอาจจะทําบาปได้แต่แต่ความบาปเหล่านั้นเมื่อเราสารภาพจะรับการยกโทษและเราจะเป็นคนที่ชอบทําในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้ามองเราผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และเราทั้งหลายกลายเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อ ประการที่สาครับรองเท้าซึ่งเป็นเสมือนกับเป็นข่าวประเสริฐแห่งแห่งสันติสุขรองเท้านี้สวมไว้เพื่อที่จะเดินไปครับเดินไปนะครไม่ใช่เราย่ําเท้าเปล่าไปกับดินนะครับเราจะโดนกลวดโดนหินโดนอะไรต่างๆที่บาดเท้าได้แต่รองเท้านะครับเป็นเสมือนกับข่าวประเสริฐไม่ว่าไปที่ไหนนะครับเราจะนําข่าวประเสริฐไปที่นั่น การประกาศข่าวประเสริฐนั้นถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของบรรดาผู้เชื่อและลูกของพระองค์พี่น้องครับเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐนั้นจําเป็นที่จะต้องแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของชีวิตของเรานะครับแทรกซึมอยู่ในดีเอของชีวิตของเราเพราะว่าไปที่ไหนนะครับเราต้องพูดเรื่องพระเจ้าไปที่ไหนเราต้องเป็นพยานไปที่ไหนเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องความรอดเป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีประการที่สี่ครับเราต้องถือโลโลนั้นมีไว้เพื่อป้องกันการถูกโจมตีนะครับ โดยที่เวลาถูกโจมตีแล้วโล่นี่ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยนะครับลม้มลงป้องกันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือช่วงศีรษะและลําตัวของเราประการที่ห้าครับหมวกเหล็กหมวกเหล็กคือความรอดเรามั่นใจในความรอดของเราหรือเปล่าการต่อสู้จนถึงที่สุดนั่นก็คือเราในที่สุดมั่นใจว่าเราจะจากไปและอยู่กับองค์พระวิญญาณเจ้านั่นคือความมั่นใจในความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันอวัยวะที่สําคัญที่สุดประการที่หกครับ พระแสงดาบที่นี่ในพระงพีนะครับใช้คําว่าพระแสงดาบนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นพระวันะที่ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราไม่ใช่เป็นความเห็นของเราเองหรือไม่ใช่เป็นความรู้สึกของเราเองแต่เป็นพระบะของพระเจ้าไว้สําหรับใช้บุกและในอีกการก็ใช้รับครับเราเห็นการใช้บุกและรับจากการทดลองการล่อลวงของมารซาตานที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์ที่ถิ่นทุรกันดารและสุดท้ายครับ การอธิษฐานวิงวอนโดยพระวิญญาณการอธิษฐานวิงวอนในวิญญาณนั้นถือว่าเป็นพระคุณเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราอธิษฐานนะครับเราจะสัมผัสถึถงพระคุณ <c oughs> เมื่อเราอธิษฐานเราจะมีสัมพันธภาพที่ดื่มด่าลึกซึ้งกับพระเจ้าแล้วเราจะตระหนักว่าชัยชนะฝ่าย ว, วิญญาณนั้นจะเกิดขึ้นด้วยการอธิษฐานชัยชนะฝ่าย ว, วิญญาณจะเกิดขึ้นด้วยการอธิษฐานอคาทูปเปาโลจึงบอกว่าอธิษฐานเผื่อข้าเจ้าอธิษฐานเพอซึ่งกันและกันอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างเพื่อข้าพเจ้านั้นได้พ จากการทุกข์ยากลำบากและ้นจากทุกข์ภัยเรามาดูนครับว่าพระเยซูได้ใช้พระเจนาของพระเจ้าซึ่งเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณที่สำคัญที่สุดอย่างไรบ้างเราเห็นการทดลองพระเยซู3าครั้งด้วยมารซาตานนะครับครั้งแรกนั้นพระเยซูถูกนำขึ้นไปอยู่ในถิ่นทุรกรนันดารอดอาหาร40วัน40คืนหลังจากนั้นมารซาตานก็มาท ด, ทดลองพระเยซู บ, บอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นพระกายอาหารสิพระเยซูตอบเข้าไว้อย่างนี้ครับใช้พระกัมปีตอบใช้ดาบเล่มนี้นะครับก็คือพระแสงดาบคือพระวจนะของพระเจ้าได้ตอบบอกว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคํำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคํำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคริสเตเราจะต้องสะสมพระวจนะของพระเจ้า จะต้องรับดาบนะครับของเราให้คมอยู่เสมอตอนเด็กๆเมื่อผมอยู่ที่โบสถ์นะครับจะมีรายการหนึ่งที่จัดเป็นประจำนะก็คือรายการรับดาบรับดาบรับดาบคืออะไรครับรับดาบคือการประกวดท่องพระคำพีนะครับการประกวดท่องพระคำพีว่าเด็กคนไหนนักเรียนระวีคนไหนเนี่ยสามารถท่องพระคมภีรได้และอธิบายพระคมภีร์ได้ด้วยนี่คือรายการรับดาบซึ่งจัดตลอดเวลานะครับ พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการรับดาบครับมนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่ดำรงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเราเนี่ครับรับอาหารฝ่ายร่างกายแต่เราจะต้องรับอาหารฝ่ายวิญ ญ, ญาณเพื่อที่จะดำรงเลี้ยงร่างกายของเราฝ่ายวิ ญ, ญญาณให้เข้มแข็งในการต่อสู้และเราจะต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องครับครั้งที่สองครับมารซาตานนําพระเยซูขึ้นไปที่นครบริสุทธิ์ประทรับอยู่บนยอดหลังคาพระวิหาร ตรงนี้หลายหครั้งหลายหคนถามผมว่าอาจารย์มาร์สาตานเป็นเข้าโบสได้ไหมนะครับผมบอกว่าเข้าโบสได้ครับนะมันยังสามารถนําพระเยซูขึ้นไปอยู่บนยอดโบสได้เลยหลังคาพระวิหารได้เลยมันจะเข้าโบสไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเข้าโบสได้ครับนะครับและมาร์สาตานทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระโจนลงไปเถิดเพราะคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะสั่งเราทูตสวรรค์มารักษาท่าน และเหล่าทูตสวรรคจะเอามือประคองชูท่านไว้เท้าของท่านจะไม่กระทบหินไม่กระแทกหินพูดง่ายว่าเมื่อพระเยซูกระดลงมานะครับทูตสวรรคจะรองรับและพระเยซูก็จะปลอดภัยพเพซูตอบเขาว้อย่งนีครับพระวจนะอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านเห็นไหมครับอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านอันนี้อยู่ในพระคัมภีร์ครับและรั้งที่สมารซาตานก็นําพระเยซูขึ้นเป็นภูเขา และแสดงนะครับว่าเนี่ยอาณาจักรของของมันก็คืออาณาจักรของโลกนี้นะครับรุ่งเรืองความรุ่งเรืองของอาณาจักรทั้งหลายเนี่ยให้พระเยซูทอดพระเนตรและบอกกับพระเยซูว่าถ้าท่านจะกราบลงน้ำมศการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูก็ใช้พระจ้าอีกครั้งหนึ่งพระมีเขียนไว้ว่าจงกราบน้ำมการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและ รนีบัตรพระองค์แต่ผู้เดียวหลายครั้งทีเดียวนะครับเวลาที่เรารู้สึกตัวว่าเราถูกมารซาตานโจมตีอะไรที่ผลขึ้นมาในความคิดของเราก่อนควรจะเป็นอะไรครับพี่น้องควรจะเป็นพระว จ, จนะของพระเจ้าเราต้องนึกว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยพระคัมภีร์สอนให้เราทําอย่างไรในสถานการณ์แบบเนี้ยพระคัมภีร์สอนให้เราทําอย่างไร นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับและเราไม่ควรทำสงครามฝ่ายวิญญาณแบบไม่ถูกต้องพี่น้องครับผมจะ ย, ยกตัวอย่างให้ท่านดูนะครับในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อ13บถึงบเนี่ยบุตรชายเจคนของเสวาเนี่ยนะครับเดือดร้อนเพราะว่าทำสงครามแบบไม่ถูกต้องเขาพยายามใช้พระคำหรือพระนามของพระเยซูเจ้านะครับขับไล่โดยคิดว่าพระนามพระเยซูเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ใครจะใช้ก็ได้ไม่เป็นไรนะเขาเป็นฝ่ายยิวนะครับพ่อผีบันทึกิงครับฝ่ายยิวบางคนที่เที่ยวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูขับผี้ายออกและบอกกับสั่งสั่งผีบอกว่าเราสั่งเจ้าโดยพระนามพระเยซูซึ่งเปาโลประกาศอยู่นั้นเราสั่งเจ้าในพระนามพระเยซูซึ่งเปาโลประกาศอยู่นั้นพวกยิวคนหนึ่งชื่อเสวาเป็นปูโลหิตใหญ่นะครับมีลูกเจ็ดคนทำแบบนั้นครับ ผีร้ายเนี่ยพอเวลาลูกของเสวา่าเจ็ดคนสั่งบอกว่าเราสั่งโดยพระนามพระเยซูซึ่งเปาโลซึ่งคนนั้นประกาศอยู่เกิดอะไรขึ้นครับผีร้ายตอบกับบุตรชายเจ็ดคนของเสวานะครับบอกว่าพระเยซูข้าก็คุ้นเคยเปาโลข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเราพวกเจ้าเป็นผู้ใดเรา คนที่มีผีสิงงั้นจึงกระโดดใส่คนเจ็ดค น, นะต่อสู้ชนะเขาได้และบุตรทั้งเจ็ดของบุโรหิตนะครับปุโรหิตใหญ่เนี่ยหนีออกจากเรือนตัวเปล่าและบาดเจ็บนี่น้องครับนี่คือคนที่ไม่ทำสงครามฝ่ายวิญญาณอย่างถูกต้องปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือ ใช้พระนามพระเยซูแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูพระนามพระเยซูที่คนนั้นรู้จักพระนามพระเยซูที่คุณพ่อคุณแม่ผมนับถือแต่ตัวเองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเขาจึงได้รับความอับอายครับและบาดเจ็บ พี่น้องครับกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในการทำสงฆ์ธรรมฝ่ายวิญญาณอย่าลืมนะครับเราจะต้องพึ่งฤทธิอานาจของพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถของเราด้วยการอธิษฐานเราขับโดยพระนามพระเยซูไม่ใช่ตัวโดยตัวเราเองเพราะว่าพระนามของพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่เหนือนามทั้งปวงประการที่สมเราปกป้องตัวเองด้วยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าระวังตัวให้ดีครับอย่าให้ตัวเองนั้นทําบาปและเป็นสื่ออย่าให้ตัวเนั้นเป็นมนติน ทำให้เชื้อของความบาปอยู่ในชีวิตของเราและมารซาตานมันมีอิทธิพลกับชีวิตของเราประการที่สี่ครับเราจะต้องทําสงครามฝ่ายวิญญาณด้วยดาบแห่งพระวิญญาณก็คือพระชนะของพระเจ้าและประการที่ห้าเราต้องตอระหนักว่าสงครามนี้ยืดเยื้อครับยืดเยื้อจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของชีวิตแต่ในที่สุดเราจะมีชัยชนะพี่น้องครับอาเมนนะครับ ในที่สุดเราจะมีชัยชนะในพระธรรมโรมบทที่8ปดข้อสาบอกกับเราว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายพี่น้องครับเราอ่านพร้อมกันดีไหมครับแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงได้รักเราทั้งหลายพี่น้องครับเราจะมีชัยชนะในคอมแบตโซนนี้ครับขั้งผีข้อ1โรมขอโทษนะเอเฟซัสบทที่6กข้อสิ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในลมะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฝ้าอากาศเราไปที่ไหนครับลูกสมุนของมันรอเราอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าพระเจ้าไม่อนุ ญ, ญาตให้มันชนะเราครับแต่หลายครั้งทีเดียวพระเจ้าก็อนุ ญ, ญาตให้มันโจมตีเราผมคิดถึงคนหนุ่มคนสาวในคิตติจักรซึ่งเป็นวัยทางานครั บ, ว, บวัยสร้างครอบครัวสตารมันก็พยายามให้คนหนุ่มคนสาวเนี่ย คิดถึงอนาคตและสนใจที่หาเงินทองเยอะๆมีจุดสนใจในการทำงานล่วงเวลามีความโลภอยากจะได้ค่าแรงเพิ่มสองเท่าได้ค่าโ t ทนะครับแทนการเข้าใกล้พระเจ้าชีวิตของหลายคนเนี่ยห่างไกลพระเจ้าแต่เข้าใกล้เงินตราซาตานมันถามพี่น้องที่หาเช้ากินขํามนะครับว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรา ซาตานมันก็ตอบไปว่าไม่จริงหดอกซาตานมันมีจุดสนใจหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ทําให้เราทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นนามาไทของพระเจ้าสแสวงหาแทนที่จะเป็นแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนมันทําให้เราออกห่างจากพระรเจ้าของพระเจ้าพี่น้องครับสงครามนี้นะครับมันจะไม่มีวันยุติจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมารุ่นแล้วรุ่นเล่าบรรพบุพ ร, บรุษของเราบรรพชนแห่งความเชื่อของเราก็ทําสงครามมาตลอด หลายหลคนยอมเสียชีวิตเพราะเหตุที่จะรักษายืนหยัดในความเชื่อเขาเรียกว่าผู้พลีชีพเนี่ยพวกมาเธอร์ทั้งหลายพวกมาเธอร์ทั้งหลายเนี่ยได้พลีชีพเพราะเหตุสงครามคอมแบทโซนนี่แหละครับแต่เราทั้งหลายอยู่ในความสะดวกสบายนะครับแต่เมื่อเราออกไปเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยออกจากคอมฟอร์ทโซนเมื่อไหร่เราจะเข้าสู่คอมแบทโซนทันทีใน ต, ตรงนี้นะครับเป็นการแย่งชิงดวงวิญ ญ, ญาณครับ เป็นการที่จะป้องกันไม่ให้คนมาลักขโมยพระวจนะของพระเจ้าออกไปจากจิตใจของเราไม่มันทําลายชีวิตของเรานะครับมันทําลายทั้งคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนนะครับและมันจะทําลายจิตวิ ญ, ญญาณของเราในที่สุดพี่น้องครับสงครามยึดเยื้อพระวจนะของพระเจ้า นในเฉลยบทที่หนึ่งยสิบเก้าข้อร้อยห้าบอกว่าพระเจ้าของพระองค์เป็นโคมสองเท้าข้าพเจ้าเป็นแสงสว่างแก่มันคาทางเดินของข้าพระองค์พี่น้องครับเราต้องสะสมนะครับเราต้องมีคลังอาวุธของพระเจ้านั่นคือพระเจ้าของพระเจ้านะครับอยู่ในชีวิตของรเราอยู่ในครอบครัวของเราเราต้องปลูกฝังให้พระบจนะของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในในชีวิตของเด็กๆครับอยู่ในความทรงจําของเด็กๆนะครับ คำถามที่ผมอยากจะถามพี่น้องก็คือว่าเวลา ท, าทหารนะครับเขาออกสนามรบเนี่ยเขาถือปืนออกไปอย่างเดียวหรือเปล่าครับเปล่านะครับฐานชายแดนภาคใต้เวลาจะไปไปพื้นที่สู้รบนะฮะจะต้องใส่เสื้อกรอกใช่ไหมครับนะถามว่าเขาใส่ชุดเกราะตอนออกไปตรวจที่ที่น่าสงสัยเท่านั้นหรือเปล่าหรือเขาใส่ตลอดเวลาคาตอบคือ เขาใส่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเวลาที่เข้าเวรเวลาที่เขาเฝ้านะครับสถานที่สําคัญเขาต้องใส่ตลอดเวลาครูนะครับครูใน3ามัญพันธุ์ภาคใต้นี้ได้รับสิทธิพิเศษพกปืนได้ใช่ไหมครับคำถามว่าถ้าเขาไม่ได้ใส่เสื้อเกาะเนี่ยครูพกปืนจะโดนยิงได้ไหมครับได้สําหรับคริสเตียนนะครับกินข้าวก็ต้องใส่พักผ่อ ก็ต้องใส่ยุทธภัณฑ์นะครับถ้าใส่ไม่ครบชุดก็ไม่มีประโยชน์ครับมีผู้ตั้งข้อสังเกตครับว่ายุทธภัณฑ์ทั้งชุดเนี่ยถ้าเราดูนะครับคือป้องกันข้างหน้าได้แต่ไม่มีเครื่องยุทธภัณฑ์ป้องกันข้างหลั ง, งนี่เขาก็ให้ข้อสังเกตว่าเวลาที่เราต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนะเราเข้าสู่คอมแบทโซนเนี่ย หน้าเราต้องหันทิศเดียวก็คือหันไปทางทิศของศัตรูครับเวลาจะบุกก็ต้องบุกเข้าไปในทิศศัตรูเวลาจะถอยก็ต้องอะไรครับอย่าหันหลังกลับครับให้ถอยแบบอะไรครับถอยแบบถอยหน้าเราก็ต้องมองศัตรูนะครับจับจ้องอยู่ที่ศัตรูเพราะนี่คือคอมแบทโซนถ้าหันหน้าเมื่อไหร่นะครับเราเปิดเผยจุดอ่อนนะครับ พี่น้องไปดูหนังเรื่องอินดีเพนเดนต์เดนะครับวันก่อนผมไปดูเรื่องอินดีเพนเดนต์เดจุดอ่องของศัตรูนะครับซึ่งเป็นเอเลียนเนี่ยอยู่ข้างหลังครับแทงตายแต่ข้างหน้าเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายเพราะไม่ผมคิดถึงพระบัญชีข้อนี้ว่าศัตรูของเรานะครับมันแทงเราตลอดเวลามันยิงลูกศรใส่เราตลอดเวลานะครับแต่เราต้องต่อสู้กับมันและอย่าหันหลังกลับพระเยซูสอนว่า เมื่อจับคันไถ่แล้วไม่มีผู้ใดหันหลังกลับเมื่อเราติดตามพระเยซูเมื่อเราต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ น, นั้นเราจะไม่มีวันแพ้และเราจะต้องไม่หันหลังกลับครั บ, รบสุดท้ายในเอเวซัโตที่6ได้บอกว่าจงจงหมายถึงคำสั่งให้เราปฏิบัติให้เราสวมยุทธบัตรทั้งชุดให้เราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ น, นะครับและพระธรรมยากอบบอกว่าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไป จงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปแพระเจนะของพระเจ้านะครับตลอดทั้งพระคมภีร์เดิมพระคมภีร์ใหม่บอกว่าลูกของพระเจ้านั้นอยู่ในคอมแบทโซนทั้งสิ้นคราวหน้านะครับเราจะเข้าสู่เอ็นโซนนะครับอีกสองสัปดาห์ขอพระเจ้าอวยพ ร, พ, รพี่น้องแท็กทุกท่านและให้เราสํานึกตระหนักอยู่ตลอดเวลาเราอยู่ในเราอยู่ไหนครับพี่น้องเราอยู่ใ น, นคนอมแบทโซนเรียกว่าสนามรบฝ่ายวิ ญ, ญญาณอามีน